เวลุทวารยสูตรว่าด้วยพราหมและข้าบดีชาวเวลุทวารคามข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคสเสด็จจาริกไปในแคว้นโคศลพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่สเสด็จถึงหมู่บ้านพราหมของชาวโกศลชื่อเวลุทวารพวกพราหมและข้าบดีชาวเวลุทวารคามได้ฟังข่าวว่า พระสมณาโคโดมเป็นสากยะบุตรเสด็จออกพนวดจากสากยะตรกูลสเสด็จจาริกอยู่ในแคว้นโคโสนพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่สเสด็จถึงเวลุทวารคามโดยลำดับท่านพระโคโดมนั้นมีคติศัพ์อัญงามขจรไปอย่างนี้ว่าแม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นพระอรหันต์ตรัรสรู้ด้วยพระองค์เองโดยชอบเพียบพร้อมด้วยวิชาและจรณะ เสด็จไปดีรู้แจ้งโลกเป็นสารถีฝึกผู้ที่ควรฝึกได้อย่างยอดเยี่ยมเป็นาศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระผู้มีพระภาคพระองค์ทรงรู้แจ้งโลกนี้พร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกและหมูสัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์เทวดาและมนุษย์ด้วยพระองค์เองแล้วทรงประกาศให้ผู้อื่นรู้ตาม ทรงแสดงธรรมมีความงามในเบื้องต้นมีความงามในถ้ำกลางมีความงามในที่สุดและทรงประกาศพรมจรรย์พร้อมทั้งอัฏฐะและพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์ครบถ้วนการได้พบพระอรหันต์ทั้งหลายเช่นนี้เป็นความดีอย่างแท้จริงครั้งนั้นพรามและขออ้าอบดีชาวเวลุทวารคามเหล่านั้นเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ บางพวกก็ถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรบางพวกก็สนทนาปราศัยพอเป็นที่บันเทิงใจพอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วนั่งณที่สมควรบางพวกก็ประนมมือไปทางพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งณที่สมควรบางพวกก็ประกาศชื่อและโคตในสำนักของพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งณที่สมควรบางพวกก็นิ่งเฉยแล้วนั่งณที่สมควร พากันกราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่ท่านพระโคโดมข้าพระองค์ทั้งหลายมีความปรารถนามีความพอใจมีความประสงค์อย่างนี้อย่างนี้ว่าขอเราทั้งหลายพึงอยู่ครองเรือนนอนเบียเสียดบุตรพึงใช้สอยผงแก่นจันทร์จากแคว้นกาสีทัศงดอกไม้ของหอมและเครื่องรูปไล้พึงยินดีทองและเงินหลังจากตายแล้ว พึงไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ข้าพระองค์ทั้งหลายพึงอยู่ครองเรือนนอนเบียเสียศบุตรและถึงพึงไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ด้วยวิธีใดขอท่านพระโคดมโปรดแสดงธรรมด้วยวิธีนั้นแก่ข้าพระองค์ทั้งหลายผู้มีความปรารถนามีความพอใจมีความประสงค์อย่างนั้นอย่างนั้นเถิดพระผู้มีพระภาคตรัสว่าพราหมณ์และพระบดีทั้งหลาย เราจากแสดงธรรมบัญญายที่ควรน้อมเข้ามาในตนแก่ท่านทั้งหลายท่านทั้งหลายจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวพรามและข้าพเดีชาวเวลุทวารครามเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าพรามและขหาพดีทั้งหลายธรรมบัญญายที่ควรน้อมเข้ามาในตนเป็นอย่างไรคืออริยสาวกในธรรมวินัยนี้ หพิจารณาเห็นดังนี้ว่าเราอยากเป็นอยู่ไม่อยากตายรักสุขเกลียดทุกขข้อที่บุคคลพึงปรงชีวิตเราผู้อยากเป็นอยู่ไม่อยากตายรักสุขเกลียดทุกขนั้นไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของเราอันหนึ่งข้อที่เราพึงปรงชีวิตผู้อื่นผู้อยากเป็นอยู่ไม่อยากตายรักสุขเกลียดทุกข์นั้นก็ไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจแม้ของผู้อื่น สิ่งใดไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของเราสิ่งนั้นก็ไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจแม้ของผู้อื่นสิ่งใดไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของเราเราจะนำสิ่งนั้นไปผูกมัดกับผู้อื่นได้อย่างไรอริยสาวกนั้นพิจารณาอย่างนี้แล้วเป็นผู้เว้นขาจากการฆ่าสัตว์เองด้วยชักชวนผู้อื่นให้งดเว้นจากการฆ่าสัตว์ด้วย กล่าวสัญเสริญการงดเว้นจากการฆ่าสัตว์ด้วยกายสมาจารนี้ของอริยสาวกนั้นย่อมบริสุทธิ์ทั้งสามส่วนดังที่กล่าวมานี้สองพิจารณาเห็นดังนี้ว่าข้อที่บุคคลพึ่งถือเอาสิ่งของของเราที่เราไม่ให้ด้วยอาการขโมยนั้นไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของเราอันหนึ่ง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 อริสาวกนั้นพิจารณาอย่างนี้แล้วเป็นผู้เว้นข่าจากการลักทรัพย์เองด้วยชักชวนผู้อื่นให้งดเว้นจากการลักทรัพย์ด้วยกล่าวสรรเสริญการงดเว้นจากการลักทรัพย์ด้วยกายสมาจารนี้ของอาริสาวกนั้นย่อมบริสุทธิ์ทั้งสามส่วนดังที่กล่าวมานี้ 3. พิจารณาเห็นดังนี้ว่าข้อที่บุคคลพึงประพฤติร่วงพัญญาของเรา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 อริยสาวกนั้นพิจารณาอย่างนี้แล้วเป็นผู้เว้นขาดจากการประพฤติผิดในการามเองด้วยชักชวนผู้อื่นให้งดเว้นจากการประพฤติผิดในการามด้วยกล่าวสรรเสริญการงดเว้นจากการประพฤติผิดในการามด้วยกายสมาจารนีของอริยสาวกนั้นย่อมบริสุทธิ์ทั้งสามส่วนดังที่กล่าวมานี้ 4. พิจารณาเห็นดังนี้ว่า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 สิ่งใดไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของเราเราจะนําสิ่งนั้นไปผูกมัดกับผู้อื่นได้อย่างไรอริยสาวกนั้นพิจารณาอย่างนี้แล้วเป็นผู้เว้นข้าจากการพูดเท็จเองด้วยชักชวนผู้อื่นให้งดเว้นจากการพูดเท็จด้วยกล่าวสรรเสริญการงดเว้นจากการพูดเท็จด้วยวจีสมาจารนี้ของอริยสาวกนั้นย่อมบริสุทธิ์ทั้งสส่วนดังที่กล่าวมานี้ พิจารณาเห็นดังนี้ว่าข้อที่บุคคลพึงยุโยงเราให้แตกจากมิตรด้วยการพูดส่อเสียดนั้นไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของเราอันหนึ่งข้อที่เราพึงยุโยงผู้อื่นให้แตกจากมิตรด้วยการพูดส่อเสียดนั้นข้อนั้นก็ไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจแม้ของผู้อื่นและถึงวจีสมาจารนี้ของอริยสาวกนั้น ย่อมบริสุทธิ์ทั้งส่วนดังที่กล่าวมานี้หพิจารณาเห็นดังนี้ว่าข้อที่บุคคลเพึงพูดกับเราด้วยคำหยาบนั้นไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของเราอันหนึ่งข้อที่เราเพิงพูดกับผู้อื่นด้วยคำหยาบนั้นก็ไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจแม้ของผู้อื่นสิ่งใดไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของเราละถึง วจีสมาจารนี้ของอริยสาวกนั้นย่อมบริสุทธิ์ทั้งสส่วนดังที่กล่าวมานี้ 7. พิจารณาเห็นดังนี้ว่าข้อที่บุคคลพึงพูดกับเราด้วยการพูดเพ้อเจ้อไร้ประโยชน์นั้นไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของเราอันหนึ่งข้อที่เราพึงพูดกับผู้อื่นด้วยการพูดเพ้อเจ้อไร้ประโยชน์นั้นก็ไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจแม้ของผู้อื่น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 กล่าวสรรเสริญการวดเว้นจากการพูดเพ้อเจอด้วยวจีสมาจารนี้ของอริสาวกนั้นย่อมบริสุทธิ์ทั้งสามส่วนดังที่กล่าวมานี้อริสาวกนั้นหนึ่งประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าว่าแม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาค พ, พระองค์นั้นละถึงเป็นาศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นพระพุทธเจ้า เป็นพระผู้มีประภาค 2. ประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวนไหว้ในพระธรรมละถึง 3. ประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวนไว้ในพระสงฆ์ว่าพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีประภาคเป็นผู้ปฏิบัติดีละถึงเป็นนาบุญอันยอดเยี่ยมของโลก 4. ประกอบด้วยศีลที่พระอริยชอบใจไม่ขาดไม่ทะลุ ไม่ด่างไม่พร้อยเป็นไทยท่านผู้รู้สรรเสริญไม่ถูกตัญหาและทิฐิครอบงำเป็นไปเพื่อสมาธิพรามและข้าบดีทั้งหลายเมื่อใดอริยสาวกประกอบด้วยสัตวธรรมเจ็ประการนี้ด้วยฐานะอันเป็นที่ตั้งแห่งความหวังสี่ประการนี้เมื่อนั้นอริยสาวกนั้นเมื่อหวังพึงพยากรตนเองว่าเรามีนรกสิ้นแล้ว มีกำเนิดสัตว์ดิรฉานสิ้นแล้วมีภูมิแห่งเปรต ส, สิ้นแล้วมีอบายทุคติและวินิบาสสิ้นแล้วเราเป็นโสดาบันไม่มีทางตกต่ํามีความแน่นอนที่จะสําเร็จสัมโพธิในวันข้างหน้าเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วพราหมณ์และขา้าพดีชาวเวลุทวารคามเลือกกราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่ท่านพระโคดม พระภาสิทธิคงท่านพระโคโดมชัดเจนไพเราะยิ่งนักละถึงข้าพระองค์ทั้งหลายขอถึงท่านพระโคโดมพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสารณะขอท่านพระโคโดมจงทรงจำข้าพระองค์ทั้งหลายว่าเป็นอุบาสกผู้ถึงสารณะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนตลอดชีวิตเวรุทวารียสูตรที่เจ็จบ กทมมะคินชกาวัฏฐะสูตรว่าด้วยธรรมบัญญายที่พระตำหนักอิศสูตรที่หนึ่งข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณนะพระตำหนักอิศในหมู่บ้านยาติกะครั้งนั้นท่านพระอานนท์เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควร ได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญสาละหะภิกษุมรณภาพแล้วคติของท่านเป็นอย่างไรอภิสัมปรายภพเป็นอย่างไรนันทาภิกษุณีบรณภาพแล้วคติของนางเป็นอย่างไรอภิสัมปรายภพเป็นอย่างไรสุทัตตาอุบาสกถึงแก่กรรมแล้วคติของเขาเป็นอย่างไรอภิสัมปรายภพเป็นอย่างไร สุชาดาอุบาสิกาถึงแก่กรรมแล้วคติของนางเป็นอย่างไรอภิสัมปรยพเป็นอย่างไรพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าอา น, น์สาละหะภิกษุมรณภาพแล้วทำให้แจ้งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันไม่มีอาสะวะเพราะอาสะวะสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบัน นันทาพิสุณีมรณภาพแล้วไปเกิดเป็นโอปปาติกะปรินิพพานในภพนั้นไม่หวนกลับมาจากโลกนั้นอีกเพราะโอรัมพาคียสังโยชน้าประการสิ้นไปสุทัตตาอุบาสกถึงแก่กรรมแล้วได้เป็นพระสกธาคามีเพราะสังโยษสามประการสิ้นไปและบรรเทาราคะโทสะโมหะให้เบาบางได้มาสู่โลกนี้อีกเพียงครั้งเดียว ก็จะทำที่สุดแห่งทุกได้สุชาดาอุบาสิกาถึงแก่กรรมแล้วได้เป็นโสดาบันเพราะสังโยชน์สามประการสิ้นไปไม่มีทางตกต่ำมีความแน่นอนที่จะสำเร็จสำโพธิในวันข้างหน้าอานอนท์ไม่น่าอัศจรรย์เลยที่บุคคลเกิดเป็นมนุษย์แล้วตายไปหากเมื่อบุคคลนั้นนั้นตายไปเธอทั้งหลายจะเข้ามาสอบถามเรื่องนี้กับเรา ก็จะพึงเป็นความลำบากแก่ตถาคตเพราะฉะนั้นเราจะแสดงธรรมบรรยายชื่อธรรมมาธาตุแว่นสองธรรมที่พระอริยสาวกผู้ประกอบแล้วเมื่อหวังก็พึงพยากรณตนเองได้ว่าเรามีนรกสิ้นแล้วมีคำเนือสัตว์เดรัจฉานสิ้นแล้วมีภูมิแห่งเปรยสิ้นแล้วมีอบายทุกขติและวินิบาศสิ้นแล้วเราเป็นโสดาบันไม่มีทางตกต่ํา มีความแน่นอนที่จะสำเร็จสัมโพธิในวันข้างหน้าธรรมบัญญายชื่อธรรมธาตุที่พระอริยษาวกผู้ประกอบแล้วเมื่อหวังพึงพยากรตนเองได้ว่าเรามีนรกสิ้นแล้วมีคำเนิดสัตว์ดิรชานสิ้นแล้วมีภูมิแห่งเปรยสิ้นแล้วมีอบายทุกติและวินิบาสสิ้นแล้วเราเป็นโสดาบันไม่มีทางตกต่ำ มีความแน่นอนที่จะสำเร็จสำโพธิในวันข้างหน้าเป็นอย่างไรคืออริยสาวกในธรรมวินัยนี้ 1. ประกอบด้วยความเลื่อมใสอันมิวันไหวในพระพุทธเจ้าว่าแม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นละถึงเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระผู้มีพระภาค 2. ประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระธรรมละถึง 3. ประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระสงฆ์ 4. ประกอบด้วยศีลที่พระอริยะชอบใจไม่ขาดละถึงเป็นไปเพื่อสมาธิอานนท์นี้แหละคือธรรมบรรยายชื่อธรรมธาตุที่พระอริยสาวกผู้ประกอบแล้วเมื่อหวังก็พึงพยากรตนเองได้ว่า เรามีนรกสิ้นแล้วมีกาเนิดสัตว์เดรัจฉานสิ้นแล้วมีภูมิแห่งเปรต ส, สิ้นแล้วมีอบายทุกติและวินิบาตสิ้นแล้วเราเป็นโสดาบันไม่มีทางตกตำ่ำมีความแน่นอนที่จะสำเร็จสำโพธิในวันข้างหน้าปฐมมาคินจกาวัสถะสูตรที่8ปดจบพระสูตรทั้งสามสูตรมีเหตุเกิดอย่างเดียวกัน ทุติยะคินจกาวัถะสูตรว่าด้วยธรรมบัญญายที่พระตำหนักอิดสูตรที่สองท่านพระอา น, อนนท์นั่งนัทที่สมควรแล้วได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอโศกภิกษุมรณภาพแล้วคติของเธอเป็นอย่างไรอภิสัมปรายภพเป็นอย่างไร อโศกาภิกษุณีมรณภาพแล้วละถึงอโศกาอุบาสกถึงแก่กรรมแล้วละถึงอโศกาอุบาสิกาถึงแก่กรรมแล้วคติของนางเป็นอย่างไรอภิสัมปรายภาพเป็นอย่างไรพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าอานนนอโศกาภิกษุมรณภาพแล้วทำให้แจ้งเจโตวิมุตต์ปัญญาวิมุตตอันไม่มีอาสวะ เาอาสวะสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันและถึงเนื้อเรื่องก็อย่างเดียวกับการพยากรณ์ปัญหาข้างต้นอานนท์นี้แหละคือธรรมบัญญายชื่อธรรมธาตุที่อาริยสาวกผู้ประกอบแล้วเมื่อหวังก็พึงพยากรณ์ตนเองได้ว่าเรามีนรกสิ้นแล้วมีคำเนิดสัตว์เดริชานสิ้นแล้วมีภูมิแห่งเปรต ส, สิ้นแล้ว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 ตติยะคินจกาวัถะสูตรว่าด้วยธรรมบรัรยายที่พระตํหนักอิทสูตรที่สามท่านพระอานนท่งนที่สมควรแล้วได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญกกุ ต, ตาอุบาสกในหมู่บ้านยาติกะถึงแก่กรรมแล้วคติของเขาเป็นอย่างไรอภิสัมปรายภพเป็นอย่างไร กลินพระ hing, อุบาสกในหมู่บ้านยาติกะละถึงนิกตะตาอุบาสกในหมู่บ้านยาติกะกติสหอุบาสกในหมู่บ้านยาติกะตุถาอุบาสกในหมู่บ้านยาติกะสันตุถาอุบาสกในหมู่บ้านยาติกะพัทธอุบาสกในหมู่บ้านยาติกะสุภัทธอุบาสกในหมู่บ้านยาติก ะ, กกะถึงแก่กรรมแล้วคติของเขาเป็นอย่างไร อภิสัมปรยพเป็นอย่างไรพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าอานน์กระตุกะอุบาสกถึงแก่กรรมแล้วไปเกิดเป็นโอปปาติกะเพราะโอรัมภิยะสังโยชน้าประการสิ้นไปปรินิพานในภพนั้นไม่หวนกลับมาจากโลกนั้นอีกกลินภาอุบาสกและถึงเนิ้อกะตอุบาสกกติสหอุบาสก ตุทฐาอุบาสกสันตุทฐาอุบาสกสุพัทาอุบาสกพัทธาอุบาสกถึงแก่กรรมแล้วไปเกิดเป็นโอปปาทิกะเพราะโอรัมพากิยสังโยชน้าประการสิ้นไปปรินิพานในภพนั้นไม่หวนกลับมาจากโลกนั้นอีกอุบาสกทุกคนพึงทำให้มีคติอย่างเดียวกันอานน อุบาสกกว่าห0คนในหมู่บ้านยาธิกะถึงแก่กรรมแล้วไปเกิดเป็นโอปปาติกะเพราะโอรัมพาคิยสังโยตห้าประการสิ้นไปปรินิพานในภพนั้นไม่หวนกลับมาจากโลกนั้นอีกอุบาสกกว่า90คนในหมู่บ้านยาธิกะถึงแก่กรรมแล้วได้เป็นสกทาคามีเพราะสังโยชสามประการสิ้นไปและบรรเทาราคะโทสะโมหะให้เบาบางได้ กลับมาสู่โลกนี้อีกเพียงครั้งเดียวจะทำที่สุดแห่งทุกได้อุบาสกกว่าห0 0ร้0ถึง้อคนในหมู่บ้านยาติกะถึงแก่กรรมแล้วได้เป็นโสดาบันเพราะสังโยชน์สามประการสิ้นไปไม่มีทางตกต่ำมีความแน่นอนที่จะสำเร็จสำโพธิในวันข้างหน้าอานนนไม่น่าอัศจรรย์เลยที่บุคคลเกิดเป็นมนุษย์แล้วตายไปหากเมื่อบุคคลนั้นตายไป เธอทั้งหลายจะเข้ามาสอบถามเรื่องนี้กับเราก็จะพึงเป็นความลำบากแก่ตถาคตเพราะเหตุนั้นเราจะแสดงธรรมบัญญายชื่อธรรมธาตุแว่นสองธรรมที่อริยสาวกผู้ประกอบแล้วเมื่อหวังก็พึงพยากรตนเองได้ว่าเรามีนรกสิ้นแล้วมีกำเนิดสัตว์เดรชาสิ้นแล้วมีภูมิแห่งเปรต ส, สิ้นแล้วมีอบายทุกติและวินิบาสสิ้นแล้ว เราเป็นโสดาบันไม่มีทางตกต่ำมีความแน่นอนที่จะสำเร็จสำโพธิในวันข้างหน้าธรรมบัญญายชื่อธรรมธาตุที่อริษสาวกผู้ประกอบแล้วเมื่อหวังก็พึงพยากรตนเองได้ว่าเรามีนรกสินกนสนส้นแล้วมีคำเนิดสัตดิรชานสิ้นแล้วมีภูมิแห่งเปรต ส, สิ้นแล้วมีอบายทุกติและวินิบาสสิ้นแล้ว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 2. ประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่วันไหวในพระธรรมและถึง 3. ประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่วันไหวในพระสงฆ์ 4. ประกอบด้วยศีลที่พระอริยะชอบใจไม่ขาดและถึงเป็นไปเพื่อสมาธิอ น, น์นี้แลคือธรรมบัญญายชื่อธรรมธาตุที่อริยสาวกผู้ประกอบแล้ว เมื่อหวังก็พึงพยากรตนเองได้ว่าเรามีนรกสิ้นแล้วมีคำเนิดสัตว์เดรฉ า, านสิ้นแล้วมีภูมิแห่งเปรต ส, สิ้นแล้วมีอบายทุกติและวินิบาตสิ้นแล้วเราเป็นโสดาบันไม่มีทางตกต่ำมีความแน่นอนที่จะสำเร็จสามโพธิในวันข้างหน้าตาติยะคินจกาวัสถะสูตรที่10บจบเวลุทวาระวัคที่หนึ่งจบ รวมพระสูตรที่มีในวรรมนี้คือ 1. จักวติราชาสูตร 2. พรมมัจริโยคทะสูตร 3. ทีฆาวุปาสกสูตร 4. พ่ปฐมมารีปุตตะสูตร 5. ทุติยะสารีปุตตะสูตร 6. ทัปติสูตร 7. เวรุทวารยสูตร 8. ปฐมคินจกาวัฏฐสูตรเก้าทุติยคินจกาวัฏฐสูตรสิบตติยคินจกาวัฏฐสูตรสองราชากรามวัช หมดว่าด้วยพระธรรมเทศนาที่ราชกาลามหนึ่งหาส์ภิคุณีสังฆสูตรว่าด้วยภิกษุณีสงภันรูปสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณราชกาลามเขครุงสาวัตถีครั้งนั้นภิกษุณีสงภันรูปเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาสแล้วยืนอยู่ณที่สมควร พระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับภิกษุณีเหล่านั้นดังนี้ว่าภิกษุณีทั้งหลายอริยสาวกผู้ประกอบด้วยธรรมสีประการเป็นโสดาบันไม่มีทางตกต่ำมีความแน่นอนที่จะสำเร็จสัมโพธิในวันข้างหน้าธรรมสีประการอะไรบ้างคืออริยสาวกในธรรมวินัยนี้หนึ่งประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวนไหวในพระพุทธเจ้าว่าแม้เพราะเหตุนี้ พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นละถึงเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระผู้มีพระภาค 2. ประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวนไหวในพระธรรมละถึงสประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวนไหวในพระสงค์ 4. ประกอบด้วยศีลที่พระอริยะชอบใจไม่ขาดละถึง เป็นไปเพื่อสมาธิภิกษุณีทั้งหลายอริยสาวกผู้ประกอบด้วยธรรมสี่ประการนี้เป็นโสดาบันไม่มีทางตกต่ำมีความแน่นอนที่จะสำเร็จสัมโพธิในวันข้างหน้าสหัสสะพิคุณีสังกสูที่หนึ่งจบ พราหมณนสูตรว่าด้วยข้อบัญญัติของพราหมณ์เรื่องเกิดขึ้นที่ครูสาวาทีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายพราหมณ์ทั้งหลายย่อมบัญญัติอุทยาคามินีปฏิปทาข้อปฏิบัติที่ให้ถึงความเจริญพวกเขาย่อมชักชวนสาวกอย่างนี้ว่ามาเถิดพ่อมหาจเจริญท่านจงลุกขึ้นแต่เช้าตรู่ เดินบ่ายหน้าไปทางทิศปราจีนยาหลีกบ่อเหวตอที่มีน้ำหลุมคูดบ่อโสโครกท่านตกลงไปในที่ใดก็พึงรอความตายในที่นั้นแหลดโดยอุบายอย่างนี้หลังจากตายแล้วจะไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ภิกษุทั้งหลายข้อบัญญัติของพราหมณ์เหล่านั้นเป็นทางไปของคนโง่เป็นทางไปของคนหลงไม่เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่าย ไม่เป็นไปเพื่อคลายกำหนัดไม่เป็นไปเพื่อดับไม่เป็นไปเพื่อสงบระงับไม่เป็นไปเพื่อรู้ยิ่งไม่เป็นไปเพื่อตรัสรู้ไม่เป็นไปเพื่อนิพพานส่วนในอริยวินัยเราก็บัญญัติอุทยคาไมนีปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายอย่างที่สุดเพื่อคลายกำหนัดเพื่อดับเพื่อสงบระงับเพื่อรู้ยิ่งเพื่อตรัสรู้เพื่อนิพพาน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 เพื่อสงบประงับเพื่อรู้ยิ่งเพื่อตรัสรู้เพื่อนิพพานพรามนสูตรที่สองจบสามอนั น, นทเทระสูตรว่าด้วยพระอนนทเทระ สมัยหนึ่งท่านพระอาณนนท์และท่านพระสารีบุตรอยู่ณพระเจดวันอารามของอนาถบิณกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีครั้นในเวลาเย็นท่านพระสารีบุตรออกจากที่หลีกเร้นแล้วเข้าไปหาท่านพระอาณนนท์ถึงที่อยู่ได้สนทนาปราศัยพอเป็นที่บันเทิงใจพอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วนั่งณที่สมควรได้ถามท่านพระอาณนนท์ดังนี้ว่า ท่านอาโ น, น์เพราะละธรรมเท่าไรเพราะประกอบด้วยธรรมเท่าไรหมู่สัตว์นี้พระผู้มีพระภาคจึงทรงพยากรณ์ว่าเป็นพระโสดาบันไม่มีทางตกต่ํามีความแน่นอนที่จะสําเร็จสัมโพธิในวันข้างหน้าท่านพระอาโ น, น์ตอบว่าผู้มีอายุเพราะละธรรมสีประการเพราะประกอบด้วยธรรมสีประการ หมู่สัตว์นี้พระผู้มีพระภาคจึงทรงพยากรณ์ว่าเป็นพระโสดาบันไม่มีทางตกตำ่ำมีความแน่นอนที่จะสำเร็จสำโพธิในวันข้างหน้าทำสี่ประการอะไรบ้างคือปุตุชนผู้ไม่ได้สดับ 1. ประกอบด้วยความไม่เลื่อมใสเช่นใดในพระพุทธเจ้าหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในอบายทุกติวินิบาตนรก ความไม่เลื่อมใสเช่นนั้นในพระพุทธเจ้าหามีแก่ปุถุชนนั้นไม่ส่วนอริยสาวกผู้ได้สดับประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่วันไหวเช่นใดในพระพุทธเจ้าหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ความเลื่อมใสอันไม่วันไหวเช่นนั้นในพระพุทธเจ้าย่อมมีแก่อริยสาวกนั้นว่าแม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาค พ, พระองค์นั้นละถึง เป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระผู้มีพระภาค 2. ประกอบด้วยความไม่เลื่อมใสเช่นใดในพระธรรมหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในอบายทุกติวินิบาตเนรกความไม่เลื่อมใสเช่นนั้นในพระธรรมหามีแค่ปุตุชนนั้นหม่ส่วนอริยสาวกผู้ได้สดับประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวเช่นใดในพระธรรม หลังจากตายแล้วจะไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ความเลื่อมใสอันไม่หวนไหวเช่นนั้นในพระธรรมย่อมมีแก่พระอริสาวกนั้นว่าพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ดีแล้วและถึงอันวินยูชนพึงรู้เฉพาะตน 3. ประกอบด้วยความไม่เลื่อมใสเช่นใดในพระสงฆ์หลังจากตายแล้วจะไปเกิดในอบายทุคติวินิบาตนารก ความไม่เลื่อมใสเช่นนั้นในพระสงฆ์หามีแค่พุทุชนนั้นไม่ส่วนอริยสาวกผู้ได้สดับประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวนไหวเช่นใดในพระสงฆ์หลังจากตายแล้วจะไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ความเลื่อมใสอันไม่หวนไหวเช่นนั้นในพระสงฆ์ย่อมมีแก่อริยสาวกนั้นว่าพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเป็นผู้ปฏิบัติดีละถึง เป็นนาบุญอันยอดเยี่ยมของโลก 4. ประกอบด้วยความเป็นผู้ทุศีลเช่นใดหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในอบายทุกติวินิบาตนรกความเป็นผู้ทุศีนเช่นนั้นหามีแก่ปุถุชนนั้นไม่ส่วนอริยสาวกผู้ประกอบด้วยศีลที่พระอริยชอบใจเช่นใดหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ศีลที่พระอริยชอบใจไม่ขาด ละถึงเป็นไปเพื่อสมาธิเช่นนั้นย่อมมีแก่อริยสาวกนั้นอาวุโสเพราะละธ ร, รมสีประการนี้เพราะประกอบด้วยธรรสีประการนี้หมู่สัตน์นี้พระผู้มีพระภาคจึงทรงพยากรว่าเป็นพระโสดาบันไม่มีทางตกต่ำมีความแน่นอนที่จะสาเร็จสัมโพธิในวันข้างหน้าอ น, นันทเทระสูตรที่สามจบ